อาจารย์พจนายู่ไหนอ า, าพานักเรียนมากี่คนได้เ อ, อ่ออายุสักเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไดออ้กำลังเรียนเด็กๆเรียนง่ายนะกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรียนยากยิ่งผู้ใหญ่ที่เคยฝึกกรรมฐานมาก่อนนะเสด็จใหญ่ไปฝึกบังคับจิตให้นิ่ง ฝึกสมถะฝึกสมถะแล้วก็ไปติดความนิ่งๆจะเรียนรู้ยากเด็กๆ เ, เรียนรู้ธรรมะได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะเพราะเด็กเนี่ยใจมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอื่นใจมันยังเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผู้ใหญ่นะก็คล้ายๆน้ําชาล้นถ้วยอันนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินนะแลหลวงพ่อพูดแบบริเกใครๆดูริเกบ้าง <laughs> ต้องอย่างนี้ ถือว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ยินนะเด็กเรียนง่ายกว่าผู้ใหญ่นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติธรรมนะคือการทำอะไรที่ยากๆเราชอบไปวาดภาพเราเองนะว่าการปฏิบัติธรรมนะคือการต้องไปนั่งสมาธิทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงไปเดินจงกรมทีหนึ่งหลายหลชั่วโมงถ้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมถือว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเข้าใจผิดละ การปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการเรียนอย่างหนึ่งแต่เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องตัวเราเองขอบเขตของการเรียนมีนิดเดียวว่าทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตยอยู่อย่างมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยงั้นถ้าใครเ็าถามนะพวกเด็กๆใครเ็าถามว่าเป้าหมายของศาสนาพุทธวัตถุปร ะ, ประสงค์ของศาสนาพุทธเนะี่ยคืออะไรวัตถุปร ะ, ประสงค์ของเราก็คือพ้นทุกข์ต้องพ้นจากความทุกข์ให้ได้ ความทุกข์ทางร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความทุกข์ทางจิตใจนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเราจะฝึกจนกระทั่งความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยไม่มีส่วนความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเมื่อมีมีร่างกายขึ้นมาแล้วนะก็ต้องรับชะตากรรมต้องทุกข์ร่างกายนะแต่ทั่งร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านก็ทุกข์นะตอนที่ท่านใกล้ปรินิพพานใช่ไหมท่านถ่ายเป็นเลือดเนี่ยตอนท่านภาวนา ท่านก็อดข้าวอดอะไรมากนะมูอเป็นโรคกระเพาะโรคลําไส้อะไรอยู่ตอนท่านจะปรินิพานท่านก็ถ่ายเป็นเลือดได้รับความทุกข์ท่านเดินไปจะหาไปปรินิพานที่กุสินาราเดินไปกลางทางนะก็หิวน้ํากระหายน้ําได้นะเงินไม่ใช่ว่าภาวนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนไม่ใช่คนละเรื่องกันพระพุทธเจ้ากระหายน้ำํำบอกให้พระอานนท์ไปตักน้ํา พระนนท์ท่านก็บอกว่าตักไม่ได้ ต, ตอนนี้กองเวียนคารวานเพิ่งผ่านไปน้ําเนี่ยขุ่นพระเจ้าท่านกระหายน้ํามากบอกให้ไปตักเถอะนะท่านพูดถึงสามครั้งนะพระนนท์นก็จําใจเอาบาดไปเห็นไหมพระไม่มีสมบัติมากนะไีตักน้ําก็เอาบาดไปตักไปถึงน้ํามันก็ใส่ละวบปฏิหารยพระพุทธเจ้าจะฉันน้ําน้ําเลยใส จริงก็น้ำมันไหลน้ำมันไหลไงมันก็ใสสิไอ้ที่ขุนขุนมันคงไหลไปหมดแล้วละมันไม่ใช่น้ำนิ่งนี่นะถ้าบอกว่าขบวนเปลี่ยนผ่านไปในบ่อน้ำนำี่นนะ้ําขุนแล้วพอจะฉันแล้วน้ําใสกลิบขึ้นมานี่เออเนี่ยอัอศจรรย์มากนะขนาดพระพุทธเจ้านะยังหิวยังกระหายยังหนาวยังร้อนยังเจ็บไข้ได้ป่วย แต่สิ่งที่ท่านไม่เหมือนคนทั่วๆไปก็คือใจท่านไม่กลุ่มใจใจท่านไม่ทุกข์เมื่อเราจะเรียนธรรมะเนี่ยนะเราจะเรียนแล้ววันหนึ่งจิตใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะไม่ทุกข์เรียนกับหลวงพ่อนะตอนนี้เท่าที่ดูลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยยังเรียนไม่ถึงขั้นที่ว่าใจจะไม่ทุกข์มีแต่เรียนได้ถึงขั้นที่ว่าทุกข์น้อย เรียนได้ทุกน้อยๆยังไม่ถึงขนาดไม่ทุกเลยถ้าจากไม่ทุกเลยต้องภาวนานะต้องต่อสู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มากเลยถึงจุดหนึ่งมันพอจิตใจเราถอดถอนออกมาถอนออกจากกายถอนออกจากจิตใจเรียกว่าปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจทำได้อย่างนี้จะไม่ทุกข์อีกละใจจะไม่มีความทุกข์อีกละนี่คนในโลกเนี่ยเวลา เกิดอะไรขึ้นในใจมันทุกข์เสมอเลยร่างกายไม่สบายจิตใจก็ทุกข์บางทีร่างกายแข็งแรงนะแต่ว่าเราอยากอันโน้นอยากอันนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้อย่างอยากเราก็ทุกข์ละหรือทรัพย์สมบัติของเราสูญเสียไปหรือเราอยากจะได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วมันไม่ได้มันก็ทุกข์ละคนเราเนี่นะหาเรื่องทุกข์ทางใจอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรานะ แจนกระทั่งเราสามารถมีชีวิตอยู่กับโลกได้อย่างทุกน้อยนอย้ทุกน้ยน้อยถ้าภาวนาสุดขีดก็จะไม่มีความทุกข์ทางใจอีกเลยเหลือแต่ทุกทางกายร้วนๆเลยการปฏิบัติการภาวนานะไม่ได้ยากอะไรนะพวกเราเรียนหนังสือมากๆเราก็ต้องฝึกกรรมฐานแบบคนเรียนมากพวกเรียนมากพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะที่สุดเลยนะคือการรู้ทันใจตัวเอง พวกเราดูออกไหมใจของเราเนี่ยเคลื่อนไบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปเพ่งเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็โมโหโมโหเป็นไหมพวกเด็กๆหลวงพ่อถามจริงๆเคยโกรธครูไหมเคยไหมรู้สึกไหมครูสองคนเนี่ยเรารู้สึกต่อครูสองคนเนี่ยไม่เท่ากันรู้สึกไหม ครูคนนี้เรารักมากใช่ไหมครูคนนี้เราเห็นหน้าเราก็เอียนแล้วเคยรู้สึกไหมมีไหมมีไหมสารภาพมาห <c oughs> ลวงพ่อก็เป็น <c oughs> เราเรียนบางวิชานะวิชานี้เราชอบนะเราก็ชอบวิชานี้เราชอบนะัเราพลอยชอบครูไปด้วยวิชานี้เราเกลียดนะเราไม่อยากเห็นหน้าครูไปด้วยอย่างนี้ก็มีนะบางวิชาทาั้งที่เราชอบนะแต่ถ้อาจารย์คนนี้มาสอนนะเราไม่ชอบเลย จูจีจ้จุกจิกขี้บนนะนิสัยไม่ค่อยจะดีอะไรๆ ไ, ไม่ดีเราโทษค่อนเดไว้ก่อนพวพวกเราต้องรู้สึกว่าตัวเราดีไว้ก่อนขนาดใจของเรานะ <c oughs> เห็นคนสองคนใจเรายังไม่เท่ากันเลยะไม่ ใ, ใจเราเนี่ยไม่ได้มีความเที่ยงธรรมจริงหรอก <c oughs> เห็นคนนี้เราก็ชอบเห็น <c oughs> คนนี้เราก็เกลียดยนะกรรมฐานในการดูจิต ด, ดูใจนะ <c oughs> พูดง่ายๆเรียกว่ากรรมฐานวัดใจวัดใจตัวเองไปได้นย ใจเราเป็นสุขเราก็รู้ทันเนี่ยตอนนี้มีความสุขแล้ว เ, เห็นคนนี้เรามีความสุขเห็นคนนี้เรามีความทุกข์เนี่ยเราวัดอยู่ที่ใจเรานะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภ ok ok ok เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมไม่รู้จักเลยเหรอืมใจกําลังแอบฟุ้งซ่านอยู่ทุกคนเลยเวลาใจมันฟุ้งซ่านเนียมันจะลืมตัวเราเองใจมันจะหนีไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้นะมันลืมตัวเราเอง รู้จักหดหูไหมรู้จักเซ็งเซ็งไหรู้จักเบื่อไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักกังวลไหมเรารู้จักทุกอย่างเลยนะดีใจเราก็รู้จักเสียใจเราก็รู้จักมีแต่นักเรียนชายหรือมีนักเรียนหญิงไหมผู้หญิงกมีอยู่สองสามคนผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงพ่อแม่คงไม่ยอมให้มามื่อผู้ชายถามผู้ชายเคยอิดชาห เคยใช่ไหมผู้หญิงรู้ไว้นะผู้ชายขี้อิจฉาเยอะนะไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่อิจฉานะผู้ชายชอบไปโทษว่าผู้หญิงขี้อิจฉาเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะผู้ชายแต่ขี้อิจฉาแต่ผู้หญิงขี้อิจฉามากกว่าอย่างเราหัดภาวนานะพอใจเราอิจฉาขึ้นมานะเราก็เห็นว่อมันกําลังอิจฉาอยู่เคยกลัวไหมกลัว กลัวเป็นไหมผู้ชายชอบบอกว่าตัวเองกล้าหาญนะอย่าเชื่อนะผู้ชายนะ่ขี้กลัวที่สุดเลยอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ต้องหาเมียมาอยู่ด้วย <laughs> มันกลัวผีนะมันกลัวเหงมันกลัวว้าวจริงจริงชีวิตเต็มไปด้วยความกลัวนะเราหัดภาวนานะถ้าใจเรากลัวขึ้นมาเรารู้ทันเลยใจกลัวเราก็รู้ทันนะเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ยากนะเราคอวัดใจของเราไปได้ใจของเรามีความสุขเราก็รู้ทัน ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้ทันนะใจเราโกรธใจเราโลภใจเราหลงใจเรากลัวใจเรากังวลใจเราอิดฉานะใจเราดีใจใจเราเสียใจใจเราหดหูใจเราเซงเซิงใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ลงไปรู้เฉยๆนะอย่าไปบังคับให้หายนั้นเช่นใจมันกลุ้มใจขึ้มารู้ว่ากลุ้มใจศาสนาพุทธเนี่ยคาว่าพุทธะแปลว่ารู้ งอนแอปโรสหรือวิธีเรียนศาสนาพุทธนะีคือการรู้ไม่ใช่บังคับนะเราลองเปลี่ยนตัวเองดูเปลี่ยนวิธีการศึกษาดูเรามาค่อยรู้ใจของเราเองเราจะเห็นเลยความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรานนะก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็อยู่ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูความลังเลสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเหล่านะี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมด นะโกรธนานที่สุดเท่าไหรนะ่ไหนใครเคยโกรธหนึ่งปีมีไม <S <S หมเด็กๆใครโกรธนานที่สุดเท่าไหร่มีไหม <S <S ใครเคยโกรธถึงหนึ่งเดือนบั้งมีไหมใครเคยโกรธหนึ่งอาทิตย์มีไหมไม่มีเลยเหรอช่างเมตตาช่างให้อภยัยซะจริงนเนอะอ้าวใครเคยโกรธหนึ่งวันมีไหม น, ะนี่เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วนี่พวกนี้โกรธหนึ่งวัน แล้วพวกที่เหลือล่ะโกรธมาปีหนึ่งแต่ดูไม่ออกหรือไงเห็นไหมเราถึงจะโกรธแค่ไหนนะไม่นานมันก็หายนะแต่ถ้าเราคิดใหม่นะเราก็โกรธใหม่เพราะเพื่อนคนนี้มันเกเรนะมันมาชกหน้าเราตอนที่มันชกเราเราก็โกรธเราเราเจ็บต่อมาหน้าเราด้านขึ้นนะถูกชกหลายทีนะถูกชกก็ไม่เจ็บแล้วตอนนี้นะชักหน้าด้านเต็มทีแนะ้ะ แต่เราไม่ได้โดนชกเลยวันนั้นเราเกิดนึกถึงเพื่อนคนนี้ขึ้นมานเวลาผ่านมาหลายปีแล้วนึกถึงเพื่อนคนนี้ตอนเด็กๆไอ้คนเนี้เกเรมากเลยเคยไป็ชกเรานะเรายังโกรธขึ้นมาได้อีกนั้นความโกรธจริงๆก็ไม่อยู่นานนะมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆ ค, ความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานหรอกเกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่าง การฝึกกรรมฐานเนี่ยคือการฝึกรู้ใจของเราเองให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายยกตัวอย่างนะอย่างยกตัวอย่างอาจารย์อย่างตะเกียเห็นอาจารย์คนนี้ใช่ไหมเราไม่ชอบเลยวิชานี้เราไม่ชอบเลยพอถึงวิชานี้แล้วเราเกลียดเราไม่ชอบนะพอหมดชั่วโมงหมดวิชานี้แล้วใจเราก็โล่งขึ้นมาเราก็ดีใจใครรู้จักคําว่าโล่งใจมั้งใครเคยโล่งใจไหม เคยหนักใจไหมมันตรงข้ามกันรู้จักหนักใจไหมรู้สึกไหมมันหนักจริงๆรู้สึกไหมมันหนักจริงๆเวลาโล่งใจรู้สึกไหมมันโล่งจริงๆริเนี่ยคนไทยเก่งนะคนไทยเนี่ยหลวงพ่อเคยรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนะได้สองร้อยปราคำตอนนั้นอยู่เมืองการนะอยู่ที่สวนผล น, นั่งนึกจดไว้เยอะเลยเช้า ว, วันหนึ่งเช้า ว, วันนั้นยังจําได้ด้วยความขับแขนะ เอาไปอวดโยมนี่หลวงพ่อหามได้ตั้งสองร้อยคำขอดูดูแล้วมันอันตรธานไปนะไม่รู้มันขอไปถึงไหนแนละ้วคอยิงนะตั้งแต่นั้นมาเลยไม่ได้รวบรวมไปเลยคนไทยเก่งนะเรามีศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยเป็นร้อยร้อยคำเลยนะเกลียดกับกลัวก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเกลียดกับกลัวไม่เหมือนกันรู้สึกไหมนะขยะขยแยงกับเ ก, กลียดรู้สึกไมไม่เหมือนกันนะ เนี่ยเรามีดีกรีนะของความรู้สึกเนี่ยที่แตกต่างกันเยอะเลยนะั้นคนไทยนี่นะประณีตประณีตมากเลยในการที่จะเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเราเองศัพท์แต่ละคําบัญญัติออกมาเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าโอ้โหจีเนสมากนะคือประณีตมากเห็นได้อย่างประณีตจริงๆรนะิฉลาดลึกซึ้งมากในความรู้สึกของตัวเองการเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรขนาดนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเรารู้เฉยๆ ย, ยนะ รู้ความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นเป็นแคล้วคาวแต่มันมีเทคนิคจําไว้จำมาไว้อย่าจงใจรู้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้นความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เดี๋ยวหลงพ่อจะเริ่มตรวจการบ้านเด็กๆนะเอาคนไหนก่อนดีล่ะรู้สึกไหมเด็กๆใจเริ่มเครียดแล้วรู้สึกไหมเอเห็นไหะเห็นไหม เห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนไหมได้ยินว่าหลวงพ่อจะตรวจกันบ้านเท่านนะโอ้ยเครียดแล้วอย่างต้องนะไม่ใช่เครียดอย่างเดียวต้องสักชักไส เ, เห็นไหมส้มรู้สึกไหมชักแย่แย เ, เห็นไหมคนไทยมีความรู้สึกเยอะนะแยแยอย่างนี้จะแปลเป็นภาษาอังกฤษยากตายชักเลย <c oughs> มีบางคนพยายามจะมาแปลเทศที่หลวงพ่อเทศนะไม่แน่จริงหลองแปลไม่ไหวหรอกนะเรามีศัพท์ซึ้งโอ้ แสดงความรู้สึกที่ถี่ยิบเลยนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยทั้งทีมเลยนะเด็กๆอะ่ะใจลอยลอยไปไหนบางคนลอยมาหาหลวงพ่อบางคนลอยไปคิดรู้สึกไหมบางคนลอยออกไปนอกวัดหนีไปแล้วนะเราค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะแต่ว่าไม่ได้จงใจรู้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เนชะ่น โกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะโลภขึ้นก่อนแล้วก็รู้ว่าโลภนะใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยโกรธไปแล้วโลภไปแล้วใจลอยไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยทำไมเราต้องตามรู้ทีหลัง<ส><ญ>เรารู้ลงปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกบางอย่างเป็นกิเลสกิเลสจะไม่เกิดพร้อมกับสติกนะิเลสเกิดขึ้นมาถ้าสติเกิดเมื่อใ่กิเลสจะดับทันทีไม่มีให้ดูหรอก เพ้การดูจิตดูใจเราดูตามหลังไปเรื่อยๆดูตามหลังอย่าอยากรู้อย่าอยากดูนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เช่นเดินเดินไปอยู่เห็นหมาวิ่งมาพรวดเข้ามานี่ไหยตกใจตกใจก่อนเรารู้ว่าตกใจนะแล้วทํายังไงดีก็หลบนะอย่าให้หมากัดนะนะถ้าบอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมถ้ามีกรรมมาก็ขอให้มันกัด ถ้าไม่มีกรรมก็ให้แคล้วคลาดเนี่ยกำลังทํากรรมใหม่อยู่คือโง่นะหมาบ้าวิ่งมานะแล้วแต่เว้แต่กรรมนี่โง่นะทํากรรมใหม่ที่โง่หมาก็กัดเ่าแหละนะไม่จําเป็นต้องกรรมเก่านานหรอกเพราะเราคอยรู้ทันใจของเรานะความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนเช่นเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวใจมันกลัวแล้วรู้ทันว่าใจกลัวนะแล้ววิ่งเลยนะหลบไปซะสมมตินะเราไปกับเพื่อนเนี่ยหมาบ้าวิ่งมาเราไม่ต้องวิ่งเร็วมากหรอก ไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วกว่าหมาวิ่งเร็วกว่าเพื่อนก็พอแล้ว <c oughs> นะเออใครมันจะไปวิ่งเร็วกว่าหมาใช่ไหมเนี่ยเราต้องมีสติปัญญานะแต่ถ้าเราจะเสียสละนะเพื่อนจะถูกกัดเราไปกวางไว้อันนี้เราสร้างบารมีนะพูดละเรื่องกันนะงั้นเราหัดรู้นะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เช่นเราเห็นสาวเนี่ยสิบหสบเจ็แล้วปิ๊งสาวว่างยัง รู้สึกไหมสาวชักสวยกว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆ เ, เรียนหนังสือกับเพื่อนผู้หญิงรู้สึกไหมมันน่าลำแขวนอตอนนี้เห็นหน้ามันนะมันชักหน้าเอนดูล้อายุขนาดนี้พอเราเห็นคนนี้นะใจเราชอบเห็นไหมความชอบเกิดขึ้นก่อนนะแล้วเราก็รู้ทันว่าโอ้แอบไปชอบเขาเข้าแล้วมีคําว่าแล้วด้วยนะไปชอบเขาเข้าแล้วเราก็รู้ทันใจที่ชอบเนี่ยนะเห็นคนนี้มันด่าเรานะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าโกรธพวกเราอย่าไปจ้องไว้ก่อน หลายคนดูจิตเนี่ยใช้วิธีไปจ้องรอดูเอาละเคาะระคังแกล้งต่อไปนี้จะเริ่มดูจิตแกล้งจ้องดูเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่มาให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเลยทุกอย่างจะนิ่งไปหมดเพราะเราไปจ้องไว้ก่อนการที่เราไปจ้องไว้ก่อนคือการเพง่งถ้าเพ่งไว้เมื่อไหร่นะจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ไปเพ่งไว้นะเราใช้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ไปตาเรามองเห็นรูป Triumph. เราได้ยินเสียงเช่เราได้ยินเสียงเพลงเนี่ยใจเราชอบขึ้นมาใจเราชอบขึ้นมาเราก็รู้ว่าใจเราชอบนะได้ยินเสียงคนนี้เขาดา่ดาด่าได้ยินเขาด่ากันนะแว่แววไม่รู้มันด่าใครเราก็สนใจอยากรู้เนี่ยจิตขณะนี้อยากรู้ว่าเขาด่าใครนะรู้ว่าอยากรู้ฟังไปฟังมาอ้าวมันด่าเราเความอยากรู้เปลี่ยนแล้วเป็นโกรธใช่ไหมก็รู้ว่าโกรธเนี่ยคอยตามรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ไปเป็นช็อตช็ชอไปเรื่อย ตามรู้เรื่อยๆการดูจิตไม่ใช่การเพ่งไว้ก่อนแต่การดูจิตคือการตามรู้จิตตัวเองว่าจิตของเรานะ่มันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเราอย่าจ้องไว้ก่อนอย่าไปรอดูอต่อไปนี้ทุกคนดูจิตดูจิตตัวเองรู้สึกไหมเริ่มนิ่งนละรู้สึกหมเพราะอะไรเพราะจงใจจะดูผิดนะต่อไปนี้เลิกดูจิตฟังหลวงพ่อพูดต่อเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟัง รู้สึกไหมใจเริ่มคลายใช่ได้ยินว่าจะได้ฟังนิทานได้ยินว่าจะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะใจเราเพเริ่มผ่อนคลายเรารู้ว่าใจผ่อนคลายแต่ถ้าเราไปจ้องไว้ก่อนนะใจจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรให้ดูวันจัาไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้เอานี่ข้อที่หนึ่งของการดูจิตนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังแต่ต้องรู้เร็วๆหน่อยนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะ ต้องเนี่ยโกรธมาละกําลังโกรธอยู่แล้วยังไม่ทันจะหายดีเลยเกิดระลึกขึ้นได้ว่าอา้าวมันโกรธแล้วเนี่ยอย่างนี้ใช้ไดนะ้อารมณ์ที่สติเราไประลึกเวลาดูจิตเนี่ยถือว่านี่อารมณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นนะยังไม่ทันดับดีนะอันสติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าไปใกล้ๆกันแลนะต้องไม่มีอันอื่นมาขัน้นสมอว่าเราโกรธอยู่นะแล้วก็ไปทําอะไรตัองยาวนานแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้นี้โกรธเมื่อชั่วโมงก่อนโกรธอย่างนี้นานไป แต่ถ้ากำลังโกรธอยู่ตัวนี้โกรธสติเกิดต่อกันโอ้เมื่อกี้กำลังโกรธนะเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้ว่าโกรธอย่างนี้ใช้ได้นะตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ตามแบบกระชั้นให้มันรู้เองอย่าจงใจรู้ต้องให้มันรู้เองหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแล้วต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นสติจะรู้ได้เองจาได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะให้จิบนะช่วยอัดบันทึกนะอัดให้ไปเลย ให้ไปแบ่งเงินฟังให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะตามรู้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างที่เราเห็นความรู้สึกใดๆเนี่ยเราอย่าถลําไปจิตเราอย่าไหลไปนะปกติเวลาเราไปรู้อะไรเนี่ยจิตเราชอบไหลไปที่นั้นแหะนะเราลองดูอา้าวทุกคนดูพระพุทธรูปดูบนยอดนะเอาเชพาตรงยอดแล้วสังเกตให้ดีมีอยู่ไหลแฉกมีกี่แฉกดูให้ดี เด็กๆรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระเอาแล้วพอละหลวงพ่อไม่ได้ต้องการให้ดูพระหลวงพ่อต้องการให้รู้ทันว่าขนาที่เราจงใจไปดูพระเนี่ยจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระอันนี้ดูออกไหมอันเนี้ยเรียกว่าเวลาเรารู้อะไรนะจิตเราถลำลงไปรู้จิตเราไม่ตั้งมัน่นจิตเราไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแต่เวลารู้นะั้นมันถลำลงไปอา้าวลองเปลี่ยนจะรู้พระมารู้อา้าวรู้พัดแผนอา้าวมาดูพัดนี่ตั้งใจดู แล้วในพัทเขียนว่าอะไรรู้สึกไหมเวลาเราดูพัดเนี่ยใจเราวิ่งมาที่พัดใช่ไหมแต่พอเราอ่านหนังสือปุ๊บสัง เ, เกตไหมใจมันคิดมันคิดว่าพระปลาโมทป่าโมทโาะงั้นเวลารู้อันแรกนะก่อนจะรู้เนี่ยอย่าอยากรู้ซะก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้นี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองระหว่างรู้เนี่ยรู้อยู่ห่างๆดูเหมือนเราเป็นคนมองนอก อย่าถล่มลงไปรู้ใจเราอย่าไหลเข้าไปเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเราดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเลยความโกรธอยู่ห่างๆนะใจเราเป็นคนดูแยกกันออกมาเราจะเห็นความโกรธอยู่ห่างๆนะอย่าให้ใจเราไหลไปจ้องที่ความโกรธเวลาที่พวกเราหัดภาวนาสังเกตไหมเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเราไปดูเนี่ยใจเราชอบไหลเข้าไปจ้องเวลาดูโทรทัศน์นึกออกไหมเวลาเราดูโทรทัศน์ใจเราชอบไหลเข้าไปในโทรทัศน์นึกออกไหม เวลาเราดูอะไรนะใจเราก็ไหลไปที่นั่นต่อไปนี้เวลาเราดูอะไรนะใจเราเคลื่อนไปใจเราไหลไปให้เรารู้ทันนะถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่ใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นห้ามบังคับนะจำไว้อย่างหนึ่งนะการเรียนกรรมฐานการเรียนวิปัสสนากรรมฐา น, าานาไม่มีคำว่าบังคับเลยมีแต่รู้ตามความเป็นจริงถ้าบังคับเมื่อไหร่เครียดทาผิดละเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เทาใจเราไหลไป นะอย่างดูพระใจก็าไหลไปที่พระเราก็รู้ทันเราคิดถึงเพื่อนใจเราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันนี้ดูออกหรือยังเวลาเราคิดถึงใครสักค น, น, นใจเราหลงไปอยู่ในความคิดในขณะนั้นเราลืมกายลืมใจตัวเองนะเรียกว่ารู้แล้วหลงไปรู้เนี่ยใช้ไม่ได้นะรู้แล้วเรารู้ทันว่าใจไหลไปอย่างนี้ใช้ได้ใจมันจะตั้งมั่นนั้นเราต้องรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆเราไปดูเขาแข่งฟุตบอล เวลาเราดูฟุตบอลนะเรานั่งบนอธธรรัฒจันทร์เราอยู่ต่างหากใช่ไหมเราไม่ได้ไปดูในกลางสนามฟุตบอลเราดูอยู่ห่างๆงล้วเราเห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราดูอยู่ห่างๆดูอยู่นอกสนามหรือเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตนะเราก็นั่งดูแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยนั่งดูนะเห็มันลุกขึ้นเต้นแรงเต้นกะเรายไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนเบทนะีเราอยู่ห่างๆเราเป็นคนดูเนี่ยมันมีระยะนะมีช่องว่างมีความห่างอยู่ งั้เวลาที่เรารู้ความรู้สึกของตัวเองนะดูห่างๆอย่าให้ใจเราไหลเข้าไปเกาะที่ความรู้สึกดูห่างๆถ้าใจเราเกิดไหลเข้าไปเกาะที่ความรู้สึกนะให้รู้ทันว่าใจไหลเข้าไปเกาะแล้วพอรู้ทันนะใจมันจะถอนตัวขึ้นเองมันจะมาเป็นคนดูห่างๆนี่ข้อ2นะนีกฎของการดูจิตนะข้อที่หนึ่งอย่าอยากดูนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภ กดข้อที่สองระหว่างดูเนี่ยดูห่างๆนะอย่ากระโจนลงไปดูไม่เหมือนดูโทรทัศนะ์นะใจไหลเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์เลยใช้ไม่ได้ดูห่างๆกฎนะข้อที่สามนะของการดูจิตก็คือเมื่อดูแล้วนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ว่าเราจะเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ต้องพยายามทำให้หายโกรธหน้าที่ของเราก็แค่คอยรู้ไปว่าจิตมันโกรธ ทำตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแสงมันโลภขึ้นมาเราก็แค่รู้ว่าจิตมันโลภนะไม่ต้องไปหาทางทำให้หายโลภมันมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตมันมีความทุกข์ไม่ต้องพยายามทำให้จิตหายทุกข์นะมันมีความสุขขึ้นมาก็ไม่ต้องพยายามรักษาความสุขเอาไว้นะมันมีจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาก็ไม่ต้องพยายามรักษาไว้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราแค่รู้รูปเดียวไม่รักษาไว้แล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านมันรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางเพราะงั้นกฎข้อที่สามก็คือให้รู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางนี่เกิดจากการรู้ทันว่าจิตมันไปหลงยินดีจิตมันไปหลงยินร้ายอย่าให้มันเป็นกลางเพราะไปบังคับไว้นะ ไม่ใช่บังคับว่าฉันจะต้องเป็นกลางถ้าบังคับเมื่อไหร่เครียดไหหลวงพ่อถึงบอกว่าวิปัสนาไม่มีคําว่าบังคับไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําว่าต้องมีแต่ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอยงนั้นใจเราเห็นสมมติเราเห็นสาวสวยขึ้นมาใจเรามีราคะไม่ต้องหาทางทําให้ราคาดับไปโดยเฉพาะไม่ต้องหาทางให้สาวดับไปด้วยไม่ต้องหาทางให้ราคาดับไปรู้ลูกเดียวว่าใจมีราคะถ้าใจไม่ชอบราคะเห็นไหมไม่เป็นกลางแล้ว ใจเกลียดราคาอยากให้ราคาหายไปรู้ทันว่าใจเราเกลียดราคาใจเราไม่เป็นกลางถ้า Finished. มีความสุขเกิดขึ้นใจเราชอบให้รู้ทันว่าใจเราชอบนะเพราะฉะนัน้นเวลาที่เราไปรู้สภาวะรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ย <me> <misinformation> ใจเรายินดีข e ึ้นมาคือเราชอบขึ้นมาก็ให้รู <me> ้ใจเรายินร้ายคือเกิดความเกลียดชังสภาวะนั้นขึ้นมาก็ให้รู้ถ้ารู้ทันนะต่อไปใจจะค่อยๆเป็นกลางเราจะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างเป็นกลาง นี่คือกฎข้อที่สกฎข้อที่สทําบ่อยๆพอทาบ่อยๆแล้วกฎข้อที่หวันหนึ่งเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเราทําเหตุที่พอสมควรแล้วเวลาที่เราบรรลุมรรคผลนิพพานนะจิตใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนบับเลยตอนที่เกิดมรรคผลนะความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยตกหายไปเยอะเลยนะเป็นลําดับลําดับไปแต่ละขั้นแต่ละภูมิเพราะงั้นในเวลาเราหัดรู้สภาวะ สรุปนะสรุปการเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นวิธีปฏิบัติที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ทางใจนะคือหัดรู้ใจของเราความทุกข์มันแอบมาอยู่ในใจเรารู้ทันนะต่อไปความทุกข์มันจะไปเองเราไม่ต้องไปไล่มนะันงั้นเราหัดรู้ใจของเราใจของเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆนะมีกฎสามข้อของการรู้คือก่อนที่จะรู้เนี่ย อย่าไปเที่ยวแสวงหาอย่าไปดักดูไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอานะกฏข้อที่สองระหว่างที่รู้เนี่ยนะอย่ากระโจนลงไปจ้องมันดูห่างๆดูแบบคนวงนอกนะไม่ถลําลงไปจ้องมันถ้าไปจ้องเมื่อไหร่กลายเป็นสมถะเมืนนัะ้นะกฏข้อที่สคือรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากเรารู้สภาวะแล้วเกิดความยินดีขึ้นมาเราก็รู้ทันเกิดความยินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทัน รู้ทันความยินดียินร้ายในใจของเราบ่อยๆต่อไปใจเราจะเป็นกลางนะเป็นกลางของมันเองถ้าเมื่อไร่เรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นกลางไปเรื่อยๆเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแสงพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ เพรคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นเพราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยเพราะความทุกข์นี้อาศัายอยู่ในกายในใจพวกเรารู้สึกไหมความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจถ้าจิตของเราหลุดพ้นจากกายจากใจแล้วนะความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงจิตใจของเราอีกต่อไปแล้วมันจะล่วงหายไปเลย หลังจากนั้นเราจะมีชีวิตที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องประครองไม่ต้องรักษาเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าการศึกษาเนี่ยต้องทำตลอดชีวิตนึกออกหมการศึกษาต้องทาตลอดชีวิตเพราะวิทยาการทางโลกเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่การศึกษาทางธรรมะนะเมื่อไรที่เราพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเนี่ยงานศึกษาของเราสาเร็จแล้วผู้ที่เรียนสาเร็จแล้วเนี่ย คือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ถึงชื่อว่าพระอาเสขะอาเสขะพระผู้ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปแล้วเพราะฉั้นงานในทางศาสนาพุทธนะถ้าเราเรียนรู้จนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ใจมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจแล้วไม่ต้องเรียนอีกละความทุกข์จะเข้ามาสู่ใจไม่ได้อีกละไม่เหมือนการศึกษาทางโลกนะต้องศึกษาตลอดชีวิตนี่เป็นปรัชญาการศึกษาทางโลก ซึ่งมันก็จำเป็นสำหรับชาวโลกนะเพราะโลกนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเราก็ต้องตามเรียนรู้ให้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆส่วนธรรมะเนี่ยเราเรียนจนเราพ้นจากความปรุงแต่งเพราะงั้นไม่ต้องไปเรียนอีกแล้วแม้มันคนละชั้นกันนะการศึกษาทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษาทางธรรมะมีจุดที่สิ้นสุดนะสิ้นสุดตรงที่ใจเราพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนะเชิญไปทานข้าวนี่มนเลยครับทุกท่า